วิโยไทยไขยแสงไกลแจ้งแล้วฝูงวิหกร้องเจ้ยแจ้วสแสวงหาซึ่งอาหารทยานไปในนภาหมู่ปักษายังขยันหมั่นหากินท่านที่รักจะซบนอนอยู่ใยเล่าตื่นแต่เช้าเพื่อเกาจิตเป็นนิจสินสแสวงหาธรรมองค์พระสัมมาเป็นอาจินชำระล้างซึ่งมนทิน ออกจากใจอายุไขในมนุษย์นี้น้อยนักจะช้าชักจะเกินการสุดแก้ไขเพราะบางคนอาจตายก่อนถึงวัยมรณะภัยนี้ไม่รอให้ต่อรองเป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาฉเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งผองขอวิงวอนให้ท่านจงใต่ตองยึดพระธรรมมาประคองกับดวงใจเป็นอรุสัยเป็นปัจจัยณนายหน้า เป็นปัญญาบา ร, รมีชี้แจ่มใสเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินเมื่อเดินไปเชิญท่านสายตื่นขึ้นรับสลับธรรมเมื่อกี้เราก็ได้ฟังบทสวดมนต์อภินหาปัจเจกให้เราพาิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของรักของชอบใจทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบทสวดมนต์นี้มีประโยชน์กับพวกเราทุกคน ทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตอย่างเราทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งที่มีทิพลครอบงนจิตใจในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่นะ่ะมีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งอายุสองความเจ็บไข้สามกาลเวลาที่จะตายสี่สถานที่จะตายห้าคติที่จะไปห้าอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เรากหนดไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยอย่างเรื่องอายุเนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ บางคนเกิดมาไม่กี่วันก็ตายบางคนอยู่ถึงเก้าสิบกว่าหรือเกือบร้อยก็ยังไม่ยอมตายเลยอันนี้ไม่มีหลักประกันอย่างตัวผู้พูดเองเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันเกิดผูพ้พูดเกิดวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมสองพัห้าสเก้าตรงกัพระรหัสวันนี้ก็เป็นวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมสองพัห้าห้าเก้าก็ตรงกับพระหัสเหมือนกันก็ใช้ชีวิตไป หนึ่งมื่นแปดพันสองร้อยหกสองวันแล้วโดวยเฉลี่ยเนี่ยคนเราจะมีอายุประมาณเจ็ดิบห้าปีนะเจ็ดบห้าปีถ้านับเป็นวันเนี่ยจะได้ประมาณสองหมเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดิบห้าวันถ้านับเป็นวั น, นอายุเราไม่มากเท่าไหร่หรอกก่อที่เรามาทอกใหมเมื่อกี้เนี่ยอายุไขในมนุษย์อยนี้น้อยนักเราประมาทไม่ได้เลยถ้าอายุ่งเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยตัวผู้พูดเองเนี่ยเขาจะมีอายุเหลือแค่เก้าพันกว่าวันเอง เก้าพันกวันนี้ไม่นานนะฮยิ่งถ้าคนอายุมากกว่าอาตมาเนี่ยอายุหกสิบเจดสิบแล้วก็ชักเหลือน้อยเหลือเหลือไม่กี่วันแล้วแหละถ้าเราจะประมาทในการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้วันเกิดทุกครั้งเนี่ยถ้าคนทั่วไปทางโลกเนี่ยก็จะเลี้ยงฉลองเฮฮากันสุขสนานแต่ถ้าเรามองเห็นความจริงในสายธรรมของชีวิตเนี่ยวันเกิดทุกครั้งเนี่ยอายุเราก็เหลือน้อยลงทุกครั้งชีวิตเหลือน้อยแล้วอายุห้าสิบปี เต็มเนี่ยก็เข้าสู่วัยชราวัยแก่วัยชราสังขารก็เริ่มอยู่ในขาลงตาก็เริ่มไม่ค่อยดีตีนกาก็ลึกขึ้นผมก็งอกความจำก็หลงหลงลืมลืมภาษาก็ช้าลงโรคต่างๆก็เข้ามาลุมเล้าอันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวแล้วก็บำบัดร่างกายเราแข็งแรงอยู่ยิ่งวัยเด็กด้วยแล้ว วิ่เล่นทั้งวันแบบรู้จักในจากเหนื่อยอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในอิทธิพลครอบกาัวของเรามาค้อยีสองเนี่ยเรื่องความเจ็บไข้ความเจ็บไข้ตอนนี้เราอาจจะร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยู่แต่วันหน้าหรือชั่วโบงหน้าเราไม่รู้นะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อความเจ็บป่วยก็มาได้ทุกวันเหมือนกันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยทุกผู้พูดเนี่ยเคยเกิดอุบัติเหตุแบบเกือบตายมาแล้ว ด้วยความประมาทตอนนั้นเมื่อสามปีก่อนเนี่ยเคยลื่นลื่นหงายท้องหลังฟาดพื้นอย่างแรงเลยลอยทั้งตัวแล้วก็ไปทับที่แขนนะแขนเกือบหักอะ่ะแต่ไม่หักแต่ว่ากระดูกหลุดเลยไหล่หลุดกระดูกหลุดคือตอนนั้นตอนนั้นที่ล้มเนี่ยก็เกือบเป็นช่วงที่ว่าก็เริ่มมืดแล้วแหละหัวค่ําก็นอนทรมานทั้งคืนเลยตื่นที่บ้านเนี่ยห่มจีวรเองไว้ได้ ก็ห้ พ, พระคนอื่นช่วยหมให้ถ้าเกิดมีมีหินหรือมีของมีคมอยู่ข้างหลังเนี่ยผู้ผู้ลงตายไปแล้วแหละเพราะาตอนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้เลยารามแรงของที่ลื่นล้มเนี่ยมันมันแบบรุนแรงมากเคยเดินลงกระไดแล้วซุ่มซ่ามไงท้องฟาดกับกระไดเนี่ยแต่ตอนนั้นเราแข็งแรงอยู่ก็เลยไม่ก็เลยไม่ไมเกิดไม่มีการบาดเจ็บแต่ลองนึกภาพถ้าเป็นคนแก่ที่ว่าร่างกายอ่อนแอเนี่ย เกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะรุนแรงกว่าพวกที่แข็งแรงเยอะนี่ประมาทไม่ได้อย่างชั่วหลังอัลมาก็เป็นโรคเ ก, กาตซึ่งเป็นโรคที่เราคิดไม่ถึงเพราะว่าอาจจะเคยกินพวกสัตว์ปีกหรือกินพวกหนอ่หนอไม้หรือกินไม่ค่อยเลือกอะ่ะพอมีกฎยูริตมากมันก็ทํางานอัลมามีอาการหนักเมื่อวันที่หยอดถัว่วที่ผู้หลงนี่แหละวันวิสาขบูชาพอดีเลยวันวิสาข์ตรงวันที่ยีิบสอง วันทยีามเนี่ยอาการกำเริบหนักมากปวดปวดแบบชนิดว่าเดินทีงเนี่ยเจ็บเจ็บมากอะโรคเ ก, กาต์เนี่ยเดินแบบขาเป๋เลยเพราะเป็นลงที่ขาอันนี้เห็นเวนาชัดเจนมากแต่รับาเป็นคนที่รักหน้าที่มากกว่าตัวเองเพราะถ้าเกิดอันบอนั้นเรามาไม่ไปถ่ายภาพยอดทั่วนะเพราะนำมาทำเฟซบ o ๊กอยู่ก็จะไม่มีภาพเลยเพราะว่าไม่มีใครถึงตัวจ่าไปสารได้เลยวันนั้นเพราะว่ามันกระจายกันคนทั้งหลายพันคน ไปแบบคนละที่คนละที่เงี้ยมันมีความตั้งใจสูงก็ต้องหาใจาไวสารให้ได้เจ็บปวดขนาดนั้น ก, กินยาพอพอฉันเพลนเสร็จเนี่ยเราก็เดินลุยป่าคนเดียวเลยเพื่อขึ้นเขาไปหาเดินขาเป๋แต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นบางทีมันก็ข้ามพ้นเวทนาได้นะพอตอนบ่ายก็หายเจ็บไปเจอใจไวสารท่านก็พาขึ้นเขาลงห้วยเดินมากคนขาดีคนขาดีนั่งรถกันวันนั้นคนขาเป๋ก็ต้องที่เจ็บปวดมากอะกลายไปเดินหลายกิโลเลย บางครั้งการฝึกจิตเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสู้เวทน า, าได้เหมือนกันอันนี้มีที่สง่งร่างกายเราเดินไปของที่ใบเที่ยงไม่ได้เป็นดังใจเราอนามัเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีโรคประจําตัวต้องเจ็บต้องป่วยอย่างตอนเลี้ชีวิตอนามัเปลี่ยนไปมากเลยเวลาตักอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเห็นไก่เห็นของที่ชอบหน่อไม้สตอยอดผักจะกินไม่ได้เลยหลายหลายตัวเนี่ยมันก็มีข้อดีนะทำให้เราเนี่ยลดความอ้วนตอนนี้น้ำหมากลดหลายโลแล้ว เพราะขาี้จะรดคามอ้วนอยู่ในทุกบางทีนก็มีประโยชน์เป็นการมันความเจ็บไข้เราจึงกระโดดไม่ได้แล้วมาข้อที่สามกายเวลาที่จะตายอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็ยนกลางคืนไม่รู้อันนี้กําหนดไม่ได้มาข้อที่ 4, สีาา่สถานที่จะตายสถานที่จะตายเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะตายในบ้านตายนอกบ้านตายต่างจังหวัดตายในประเทศตายนอกประเทศ ตายในน้ำํำบนภูเขาในปา่ามันไม่รู้หมดอะไม่รู้ว่าว่าจะตายที่ไหนกำหนดไม่ได้หรอกอันนี้อันมาเคยไปดูคลิปใน youtube นะบางทีพวกฝรั่งเนี่ยเขาชอบถ่ายคลิปที่คลิปที่เสียวๆอะบางคนเนี่ยหน้าตายแนละ้วแต่เขาก็รอดตายหวุดหวิดนะจังหวะแค่เสียววิ่งทีเดียวไทยก็รอดชีวิตแต่บางคนเนี่ยไม่น่าจะตายถึงข่าวตายอะ่ะเดินมาดีๆเนี่ยรถไปชนรถอีกคันหนึ่ง ทั้งที่เขาไม่ได้อยู่บนถนนนะไอ้รถคันอีคันนึงก็เดินไปชนเขาตายนั้นคนเราถึงข่าวตายเนี่ยอยู่ที่สบายๆมันก็ตายไอ้คนที่ไม่ถึงข่าวตายอยู่ที่หวัดเสียวบางทีปืนยิยงเฉียวหัวมันก็ไม่ตายนะนั้นเอาได้นอนอะไรไม่ได้หรอกอันนี้ไม่เป็นหลักการเลือกสถานที่จะตายมาข้อที่ห้าคติที่จะไปอันนี้อยู่เหนือวิสัยของเราภูมเจ้าแม่คิดพอคิดแล้วจะเป็นบ้าแต่เราก็เชื่อคําสอนพุทธองค์อะ ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญเนี่ยก็าเปียบเสมือนเรือบาปเปรียบเหมือนก้อนหินเวลาเราโยนก้อ น, อนหินก้อนเล็กๆ ล, ลงไปในน้ําเนี่ยมันก็จมละแต่ถ้าขนาดที่เราเนี่ยก่อนตายนึกถึงบุญกุศลที่เราเคยทำขึ้นมาเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนเรือเรือสามารถรับก้อนหินได้ไมันลูกกี่ก้อนเลยก็ไม่จมท่านเรือกับบาปยิงต่างกันมากเลยเราเราแผ่เมตตาเนี่ยความสุข หรือบุญเนี่ยแผ่ได้แต่ความทุกข์กับบาปเนี่ยแผ่ไม่ได้เวลาเราเราเขาเขา้าใกล้ใครนะคนไหนที่มีความสุขเนี่ยเราก็สุขด้วยนะอันนี้เช็คง่ายคนไหนเครียดเหลืเหอเ ก, กินโอหกดดันชีวิตเนี่ยเข้าใกล้เราก็ร้อนอ่ะเราก็ไม่อยากจะรับฟังจะเรื่องของเขาอ่ะคนกุม้มใจเนี่ยเราไม่อยากคุยด้วยหรอกเราอยากคุยกับคนที่มีความสุขมากกว่าคุยจะเรื่องดีๆอันนี้เป็นทุกคนนะเข้าใกล้ใครร้อนเข้าใกล้ใครเย็นนั้นคนเราก็จะมีท่าสัมผัส อะไรนั่นกันอยู่ธาตุมีคลื่นพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาแต่ถ้าเราอยากให้ตายแล้วไปในที่ดีเนี่ยอันา่าจจำจากพระอาจารย์ปิศาถ้าเขียนลงในหนะังสือนะก็เราใช้ชีวิตสี่อย่างคือหนึ่งเราจะต้องหมั่นทำความดีอยู่เสมอสองเราต้องพิจารณาความตายในชีวิตประจาวันอยู่บ่อยๆสามเราก็ต้องใช้ชีวิตประจาวันด้วยใจที่ปล่อยวาง สี่เราต้องหมั่นเจริญสติในชีวิตประจำวันถ้าสี่ข้อเนี้ยเราทำได้นะเราก็ไปดีสุขติไปที่หวังได้เราสร้างอุปนิสัยด้วยหมั่นทำความดีก็คือให้ทานรักษาศีลช่วยเหลือผู้อื่นไม่บิดเบียนตนเองไม่เบีเยดนคนอื่นเนี่ยนี่หมันทำความดีทําทำบ่อยๆมันก็เป็นอุปนิสัยละกุศลด้วยเพราะถ้าเราทาดีแต่เราไม่ละกุศลเนี่ ย, วยเวลาตายไปเนี่ย สิ่งที่เบียดเบียสเนี่ยเขจะมาลดกลัวจิตใจเราทําให้จิตจเราจิตใจเราเศร้าหมองได้เพราะบางคนเนี่ยอยากทําบุญก็ไปฆ่าปลาไปทุบหัวปลาหรือไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่มาถวายพระอันนี้ก็ถือว่าเบียดเบียนสัตว์โดยเจตนาดีบุญก็ได้เล็กเล็กน้อยแต่สัตว์ก็เดือดร้อนเพราะเราอันนี้ก็ทําไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักถ้าเราทําบุญเราก็ต้องทําด้ว ย, ยงเงินเราเอง เงินที่ได้ไปอยากหยาดเงือกแหละบางทีไปโกงเข้ามาไปลักเขามาเนี่ยทําบุญทีหนักๆก็ได้บุญไม่เท่าไหร่อย่างพวกค้ายาบ้าบางทีทําบุญหนักมากเลยเพราะวันี้กลัวบาปเพราะเงินก็ไม่ใช่เงินของเขาอะ่ะกลัวลงนรกเวลาทํา็อาจจะทำหนักค้าอยาติดติดพวกทําอะไรผิดกฎหมายเนี่ยจะสปอดฉะนั้นชีวิตเราก็ต้องหมั่นทำความดีบ่อ ย, อยจนเป็นนิสยัยมาข้อที่สองเนี่ยเราก็ต้องเจริญมานานรุสติในชีวิตประจำวัน พิจารความตายบ่อยๆเพื่อไม่ให้ชีวิตเราประมาทเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันจะเอาเข้านะมันจะขวนขวายโดยธรรมชาติคนเราจะโลภกดหลงบางคนก็หาเงินตลอดชีวิตแต่ไม่ได้ใช้หรอกหายลูกหลานใช้บางทีนับเงินก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเรามาพิจารความตายเราก็รู้ว่าโอ้โหชีวิตเราตายไปเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยในโลกเนี้ยเราไปอยู่ได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นโลกนี้เป็นเหมือนโรงแรมบุญกระบาศเนี่ยเป็นเหมือนค่าเช่า แต่วันใดที่บุญบาเราหมดเราก็โดดไล่ออกแล้วเราจะอาศัยโลกแบบอยู่ถาวรไม่ได้นะบางทีก็ต้องเปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อยเราสังเกตนะสัตว์จะมีมากกว่าคนนะเฉพาะในกุฏิเนี่ยอยู่ที่พักของเราเนี่ยจะเป็นด้วยอมดสัตว์นานาชนิดั้นเกิดเป็นค น, นจะเกิดยากบางทีเราเห็นคนแก่เนี่ยเราก็น้อมเข้ามาหาตัวเราว่าสักวันเนี่ยเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่างเวลาผู้พูดเไปบินธบาตเนี่ยเราจะสังเกตตัวนี้บ่อยบาทีเราเห็นคนแก่มาใส่บาตรเนี่ยคนแก่ก็ลุกเดินเงื้อเงเดินก็ไม่ค่อยไหวถือบาตรบาทีมือสั่นเนี่ยเราทีเราก็น้อมมาสักวันเดือนเราก็ต้องแก่เราต้องเป็นแบบเขาเมื่อไม่นานอัลมาก็ไปเจอหลวงตากลมหลวงตากลมอยุเก้าสิบแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะอยู่ที่วงขาลงมากเลยท่านจะเดินไม่ค่อยไหวแล้วแล้วก็หลงหลงลืมลืม พอคนอายุมากแล้วอันมากก็เห็นแล้วก็เรา ก, ก็น้อมมาใส่ตัวว่าสักวันเนี่ยเราจะต้องเป็นหลุหลุดตากลมก็ได้บางทีคนแก่น่าสงสารนะไม่ใช่ว่าคนแก่จะดีนะบางทีเราชอบให้พรว่าอายุยืนไปได้ร้อยปีว่าแก่แล้วเนี่ยแก่ตายอายุมากๆเนี่ยเป็นมงคลจริงไม่ใช่หรอกพราะคนแก่ไม่โชคดีเสมอไปที่จะยืนเดินหน้าได้บางคนก็นอนพังงาบพังงาบก็มีบางคนนอนไปสิสิบปีอย่ายตายก็มี ก็ไม่ได้ม่โชคดีเสมอไปเพราะร่างกายมันคล้ายๆเครื่องนายมันพังหมดแล้วอ่ะมีชีวิตอยู่กับตายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่จรึงไม่ใช่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะเราก็ลดฝาประมาทในชีวิตประจำวันได้พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงเปรียบเปรียบม้าชานัยกับบุรุษอาชานายนะว่าม้าชานัยเนี่ยประเภทที่หนึ่งเนี่ยแค่เห็นเงาปะตักเนี่ยก็รู้สึกกลัวแล้วต้องรีบทําตามเจ้าของทันทีเลยมา้าประเภทสองเนี่ย ต้องเข็มปลาตักสกิดผิวถึงจะทําตามเจ้าของมาประเภทสามต้อแทงเข้าไปถึงเนื้อถึงจะทําตามประเภทสี่เนี่ยเป็นมาดือ้อต้องปลาตักแทงถึงกระดูกเลยถึงจะยอมทําตามถ้าเปรียบเป็นคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนประเภทแรกเนี่ยได้ยินข่าวว่ามีคนตายที่ไหนฟังข่าวบอกเล่ามาเนี่ยก็จะน้อมมาหาตนเองนาทีแล้วว่าสักวันหนึงอะ่ะเราก็ต้องตายประเภทนี้ ก็เปรียบเป็นคนที่มีเป็นยามากคือแม่บ้ายชีวิตประเภทที่สองคนประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นได้ตาตัวเองอย่างดูเห็นได้ตาตัวเองหมายถึงว่าเห็นคนเนี่ยกำลังตายอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยเห็นต่อหน้าเนี่ยแหละจึงจะน้อมใจตัวเองว่าสักวันร้องตายแบบนี้ประเภทที่สามจะต้องญาติพี่น้องหรือเพื่อนคนสนิทอะตายจึงรู้สึกสะกิดใจตนเองส่วนประเภทที่สี่เนี่ยอาจจะหยาบ่อย ต้องตนเองเนี่ยพะ ง, งาบระ ง, งาบใกล้าตายเนี่ยถึงจะเริ่มคิดมาได้ว่าตัวเองจะต้องตายประเภทนี้จะช้าหน่อยคนเราก็มีสี่ประเภทนี่แหละก็ไม่รู้ว่าพวกเราเป็นประเภทไหนแต่ถ้าเราจเจริญมะนาวเสตียบ่อยเนี่ยเราก็อยู่ประเภทหนึ่งกับประเภทสองประเภทสามประเภทสี่จะอยากไปหน่อยคือใช้ชีวิตแบบประมาทสนุกสนานเพลิดเพลินวันหนึ่ง ตอนเช้าพระอาทิก็ขึ้นตอนเย็นพระอาทิตก็ตกดินแล้วไม่ค่อยมีสาระแกลนสารเท่าไหร่ทั้งการเจริญสติการเจ ร, ริญมารสติเลยช่วยได้ถ้าว่าเราเนี่ยไม่ได้โลนขนขวายในสิ่งที่ไม่จําเป็นมากนะักข้อที่สามการใช้ชีวิตประจําวันด้วยใจที่ปล่อยวางคนเราจะทุกข์ทุกข์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการวางใจเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่มองโลกใ น, ใ น, ในแง่ร้ายเนี่ยชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็เป็น เ, เรื่องเครียดๆนั้นแหละ แต่ถ้าเรามองโลกในแง่บวกเราก็มีความสุขได้ยังมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งที่จังหวัดอุดรคนขนานนามท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะตลอดชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะมองโลกในแง่ดีแล้วมีความสุขเสมอเวลาเกิดอะไรขึ้นท่านชอบพูดดีเนาะดีเนาะอยู่ไป็นประจำคนก็เลยตั้งให้ท่านว่าหลวงพ่อดีเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิมนต์ท่านไปแสงทามและฉันเพลที่บ้านปานราสิก็อยู่ไกลพอสมควรเนี่ย การหลวงพ่อว่าจะมารับแต่เช้าจะเผลอรถเสียหลวงพ่อก็รอแล้วรออีกไม่มาฮะทีตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปทานอาหารที่บ้านโยมแหละก็เลยก็เลยพูดคุยมาว่าก็ดีเนาะทานอาหารก็เราเองก็ได้สักพักฉันฉันไม่ได้พิกีดคํารู้สิกก็มาถึงแล้วก็รีบรีบให้หลวงหลวงพ่อไปเพราะบ้านอยู่ไกลหลวงพ่อก็เลิกฉันท่านก็บอกก็ดีเนาะ ไปฉันบ้านในงานก็ดีเนะาะทั้งก็คือรถไปรถ ว, วิ่งไปสักพักหนึ่งรถกระเพื่อเสียอีกไอ้คนขับก็ลงไปซ่อมทํานู่นทํานี่อยู่ต้องจอดอะหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้ชมอยู่ข้างทางคนขับซ่อมเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไปติดจึงเอาวานให้หลวงพ่อช่วยเข็นตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุมากแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะได้ออกลังกายเข็นไม่เข็นมาจนรถติด นอยากเสียเวลาไปมากไปถึงบ้านงานก็เลยเที่ยงเจ้าภาพก็เชิญหลวงพ่อเนี่ยขึ้นทำมาสแสดงทำทันทีหลวงพ่อก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยระหว่างที่แสดงธรรมลูกศิษย์ก็ชงกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปหยิบกระปุกเกลือใส่แทนน้ำตาลหลวงพ่อฉันไม่ได้คำหนึ่งก็วางไว้ลูกศิษย์ที่อยู่แถวนั้นเน่ะ ธรรมดาแล้วถือว่าการทานของเหลือจากคูบาจารเนี่ยเป็นมงคลชีวิตจึงมาขอทานกาแฟที่เหลือทานไปได้คํานึงก็พ่พูดออกมาเลยบอกเคบิปปีหลวงพ่อฉันไม่ได้ไงเนี่ยหลวงพ่อก็บอกก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วเปลี่ยนรสชาติมาฉันกาแฟเค็มๆบ้างก็ดีเนาะหลวงพ่อเวลาเกิดเลยรขึ้นถ้าดีเนาะหมดแหละจะเรื่องถูกใจไม่ถูกใจ ด้วยความที่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุดอรตอนนั้นท่านก็มียศเป็นเจ้าคณะระดับชั้นเทพและท่านก็ปลูกเสกเครื่องรางของขลังมีของขลังหลายรุ่นเหมือนกันผู้คนนับถือก็ทําให้มีคนนําเข้าของมาถวายท่านเป็นะมากจนไปที่หมายตาของโจรคนหนึ่งโจรคงมองว่าหลวงพ่อเนี่ยคงรวยคันได้โอกาส มีวันหนึ่งก็ถือปืนขึ้นมาหลวงพ่อหลวงพ่อกําลังไหว้พระสวดมนต์อยู่โจมันก็คมคูเลยหลวงพ่อนี่คือการปล้นมีของมีค่าเท่าไส่งมาให้หมดหลวงพ่อท่านก็ยิ้มยิ้ม ม, มองหน้าโจแล้วก็บอกว่าก็ดีเนาะเอกอยากเอาอะไรก็เอาไปเลยโจยมันก็บอกไม่ใช่แค่ปล้นอย่างเดียวจะต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยนะเพื่อปิดปากเดี๋ยวบอกตํารวจหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะ เองฆ่าค่าก็ดีโจรมันก็งงฆ่าดียังไงหลวงพ่อบอกฆ่าเนี่ยแก่มากแล้วอายุก็มากต้องมาดูมาดูแลสังขารที่เสื่อมโทรมอยู่ทุกวันอันนเองฆ่าค่าก็ดีเนาะโจรมันก็เกิดใจอ่อนขึ้นมาบอกงั้นงั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงพ่อบอกไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็บอกหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่ฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดี หลวงพ่อก็บอกว่าถ้าเอ็งฆ่าฆ่าเนี่ยเอ็งก็ต้องถูกตำรวจตามจับเพเผอโดนตำรวจฆ่าตายเอ็งตายไปก็ต้องตกตะลกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเอ็งไม่ฆ่าฆ่าก็ดีดีเนาะโจ้ได้ฟัง น, น, นั้นก็เกิดสำนึกบาปขึ้นมาได้วันนั้นก็เลยกลับไปตัวเปล่าไม่ปล้นไม่ฆ่าอันนี้คือการมองโลกในแง่ดีของหลวงพ่อบางครั้งก็เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ถ้าเป็น คนอื่นเนี่ยสงสัยเผื่อเผื่อไปสู้โจลดโดนโจนฆ่าตายไปก็ได้เพราะห่วงทรัพย์สมบัตินี่ทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกายนั่นเองมีหลายคนเนี่ยเวลาโดนอย่างผู้หญิงเนี่ยโดนพวกโจรนวิ่งราวเนี่ยบางทีทองแค่ห้าิบตังค์หรือบาทอะดึงสุดชีวิตเลยบางทีก็โดนโจนทําร้ายก็มีคือรักของมากกว่าชีวิตเราก็ต้องฝึกใช้ชีวิตที่ปล่อยวางปล่อยวางแบบของเรานี่มันของไม่เที่ยงนะ้บางทีก็อาจจะมี ข, ขโมยไปลักไป ถึงไม่ขโมยลักก็เสื่อมไปตามกาลเวลาเนี่ยแหละมีเจ๊งมีเสียมีอะไรให้ขัดใจเนี่ยเราก็ต้องฝึกปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางเนี่ยเราก็เจอแบบเรื่องขัดใจตลอดอะ่ะอย่างผู้พูดเนี่ยก็ฝึกแบบนี้อยู่นะบางทีก็ต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยที่ซื้อมาปลูกก็ตายตา ย, ตายบทก็มีไอ้บางต้นเนี่ยที่ไม่ตั้งใจปลูกก็กลับสวยรอดได้ไอันที่ต้นที่ตั้งใจปลูกตายก็มีมันไม่ได้เป็นดังรัดใจเราเลยคนก็เหมือนกันบางทีก็ ไม่มีใครก็ตามใจเราทุกเรื่องหรอกแม้แต่ตัวเราเองเรายังตามใจตัวเองไม่ได้เลยบางคนก็ขัดใจเราบางคนก็ตามใจเรามันก็มีสมหวงังกับผิดหวงังฆ่าฮัา้กันไปชีวิตประจำวันดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันบางช่วงก็ร้อนร้อนมากเราก็ปรับตัวให้เข้าความร้อนบางช่วงก็หนาวสุดๆเราก็ปรับตัวให้เข้าความหนาวบางช่วงฝนถลม่มอากาศชื้นซักผาก็ไม่ค่อยจะแห้ง เราก็ต้องทใจปล่อยวางแหละหรือสัตว์ต่างๆเมือ่อจะเป็นมแมลงทุกชนิดอ่ะเขาก็มีมาเบียดเบียนเราเหมือนกันเมือ่อจะเป็นมดเป็นยุงอย่างยุงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปสรรคของนักปฏิบัติธรรมยุงแมงวีช่วงนี้แมงวี่น้อยแล้วแต่ยุงมาเยอะที่หอตายยุงดุมากเลยตอนเย็นๆหน้าที่เราก็คือปัดเขามั่งหรือไม่ก็เราก็ทายาป้องกันแต่ถ้าใครใจบุญก็บริจาคเนื้อให้ยุงทานบ้างก็ได้ อันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วแต่เราสบายใจก็แล้วกันแต่หน้าที่ของเราก็คือป้องกันนั่นแหละดูแลตัวเองแต่เราต้องปล่อยวางแัแหละถ้าเราไม่ปล่อยวางเราองแบกทุกเรื่องแหละตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่แล้วกเกิดตายขึ้นมากระทนฐานเราจะทำไงถ้าจิตใจเรายึดยังแบกอยู่นั้นการปล่อยวางในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะถ้าเราฝึกปล่อยวาง บ, บ่อยความตายมาถึง เราก็ยอมรับได้ไม่เปรีเศษไม่ผักสายเราก็สามารถไปพบภูมิทิจีได้ข้อที่สี่แต่สำคัญมากคือการเจริญสติในชีวิตประจําวันเพราะถ้าเกิดเราไม่เจริญสตินะเราก็อยู่ในโลกของความคิดนั่นแหละความคิดปรุงแต่งให้เราคิดอะไรเราคิดไปเรื่อยเปื่ยแต่ส่วนมากมันมักคิดเรื่องดีๆมันคิดเรื่องกุศลนั่นเงพ่อที่ใสยของกิเลสฝังความคิดไปมักไปอย่างนั้นแหละคิดแต่เรื่องไม่ดีเรื่องชั่วๆเรื่องดีมันคิดไม่ออกหรอก ถ้าเราทำเรื่องดีๆมากทำบ่อยๆมันก็เป็นนิสยัยสามารถคิดเรื่องดีๆบ่อยๆได้หรือแม่จะทำให้เรารู้ทันความคิดก็ต้องอาศัยการเจริญสตินี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็พับผ้าห่มอย่างมีสติล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายอย่างมีสติอันเนี้ยเราก็ได้เริ่มแล้วแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนนะตื่นมาก็พวดพลาดซุ่มซ่ามทำร่วมนี่แบบไม่มีระบบบางทีก็ลืมนูลล่ลืมนี่ก็มี ของออกมาก็ไม่ครบสามารถทํางานไม่ได้ก็มีนั้นการจะสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีแล้วก็ต้องฝึกบ่อยๆถ้าเราไม่ยอมฝึกเนี่ยตายไปเราก็ไม่มีที่พึ่งนะเพราะสติเนี่ยทำให้เรานึกถึงบุญกุศลได้เพราะคนที่ไม่มีสติจะหลงหลงลืมลื ม, ลมไปตามยะถากรรมนั้นเราอยากไปดีไปสุขติแราวก็ทําแบบสี่อย่างที่พระอาจารย์เปี่สารพูดเขียนไว้ในหนังสือแหละมันทําความดีอยู่เสมอ จเจริญมโ น, นสุติในชีวิตประจำวันใช้ชีวิตประจําวันด้วยใจที่ปล่อยวางแล้วก็จเจริญสติในชีวิตประจําวันอันนี้ทํำบ่อยๆชีวิตเราก็มีความก้าวหน้าไม่เสื่อมถอยเพราะชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้อยู่ใต้บงังคับบัญชาของเราเลยอย่างวันเกิดทุกครั้งอายุก็จะเหลือน้อยลงทุกครั้งเราประมาทไม่ได้มองแบบคนหาธรรมะ ก, กับคนมองทางโลกไม่เหมือนกันนะเราต้องไม่ติดในความสุขหนาหลื่นเลง เราต้องมองโลกตามความเป็นจริงกัแหละคนในโลกเนะี่ยส่วนมากก็เห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงเห็นของไม่งามว่าเป็นของงามเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นความไม่ใช่ตัวตนเป็นตัว ต, วตวนนั่นแหละแต่เราถ้ามอ ง, มองแบบชาวพุทธมองคนปฏิบัติธรรมแล้เราต้องเห็นของไม่เที่ยงคือของไม่เที่ยงของไม่งามก็คือของไม่งามร่างกายคนเราเนี่ยต้องอาบน้ําต้องขับถ่ายไม่มีใครสวยจริงหรอกบางทีกิเลสมาหล อ, หอกก็สวยจริงแล้ว บีขี้หูขี้ตาที่โมกเหงื่อเลือดแล้วก็ขี้ฟันอะไรทุกอย่างั่ะแหละถ้าบองจริงๆแล้วไม่น่าลหลงไหลแต่กีเล็มันลหลงไหลนะแล้วก็ตัวตนเนี่ยที่จริงเราก็ไม่ใช่ตัวตนจริงๆแต่ว่ากีเล็บมันก็ชอบเรียกตัวกูนะของกูนะให้จริงก็ไม่ใช่หรอกแต่เราเห็นตาเราเป็นจริงแล้วก็เห็นความสุขก็คือความสุขความทุกข์คือความทุกข์ความแต่คนเราจริงๆแล้วชอบเอาเอาความทุกข์เป็ความสุขอย่างบางทีนั่งกินเหล้าทั้งวัน เล่นไพ่เล่นเกมหาใบยุบุตต่างๆเนี่ยเขาบรรจัดว่เป็นความสุขแต่จริงไม่ใช่เป็นความเหน็ดเหนื่อยเสียเวลามากกว่าไร้สาระด้วยทําให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนช่วงนี้ก็มีเกมโปกเกบ่อนทําให้คนตายแล้วเยอะแยะคนหลงเกมโปกเกบอนกันถ้าเรามองเห็นตาพอเป็นจริงแล้วก็รู้เนี่ยคือทุกนะไม่ใช่สุขงั้นราชาพุทธต้ อ, มอไม่มองอะไรที่บิดเบือนอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้ก็แล้วกันขอให้พวก ย่าได้ทำจะมีความสุขความเจอทญธรรมยิ่งขึ้นไป